Whatever lot of. ใม่กูบ่มีมาแต่วันหยุดวันอาทิตย์มันหยุดโอ้จดกหม่ผูใช่มาบวชวันหยุดแต่วันที่หนึ่งมีหน้าถึงวันที่สิบแปด เดว b ทุกปีทุกปีไปเหตอ <c oughs> ทางหลังบ่ใครแถวบ่ใครซื้อกันเบิ่งของเกาไวย์นะยีอของเกาไว่์แม่ทีนงังพึกงแบะเบียบ โดยเฉพาะวันพระโบราณเป็นเนี่้พเขาวัดมันี่ทั้งหนอกกับเฝ้าใส่บาดก็เฝ้าเมี่ยเลยเริ่มวันพระพระเจ้าพระสงฆ์ก็เริ่มกันเลยก็เป็นถิ่มจวดธรรมาสังเวชพรารรมมเหตุฉลังอนาติโตกับอยังโคโมเมกาโยสองบท น่าจะได้เตือนจิตเตือนใจให้สวดเพื่อผู้จักบอกผังขานร่างกายไม่เที่ยงเกิดแล้วแก่เก็บตายเป็งโรงบ้านไปขวนข้าวเจ้ายัางกระดกกระแนทีนี่ว่าหายหลงปู่ว่าหายท่านโรงพยาบาลทั้งโลกรักษาคนป่วยตาย บ่มีนี่ของพระพุทธเจ้าแห่งเดียวยาของพระเจ้าดูจมูกบางคนพวกเขาใจแอนไปหาทําบุญวัด น, น, นั่นวัดนี้ไปทําบุญวัดนั้นไปทําบุญวัดนี้พระเป็นเทตไงบ่บหล่ะบุญพระบอกทําบ่หล่ะยมมาอะไรมาทําบุญเจ้าข้าไปทุกสุตยานถวายทั้งคาถาตรวจน้ำยอมไปลราทาบุญ นึขของไปถวายพระก็ว่าทําบุญสิเราควบพรขอกไเห็นว่าเป็นเขียนไว้รักษาใจคือพราะจากควหมายสําใจเป็นตัวของเฮากายพวกมันของเฮานจมแล้วชื่สั่นแต่จมจิเขาจิ้เขาจิ้เขาจิ้มเขาวกิ้มสงจากเอ็ม ขัาขาร่างกายไม่เที่ยงเกิดแล้วแก่เขียบตายตอนนี้น้องแก้วอุกระทองได้แต่ใจเฮ้เห็นเห็นตามเป็นจริงบ่แล้วเห็นว่าเห็นหมูเประ้ทศไปต้องปัจจุบาลจากาักษาทัวไหนแล้วจะมาค อ, อยยังบัรถามหลวงปู่บาลจะตุกมาว่านม่มยีปัญหาที่ไหหลวงปู่นั่น นี่สิ่งคือพวกี้ร่องบานกระไดไปพออยู่พรใส่พรไปวัมาอยู่ไ ป, ไป น, นี่พอเราเบือมันก็พบเห็นว่าะวนพระอ๋อคิดเพ่งดูบร <c oughs> ไดาหลักษาคนบ่อ้ตายกตียานี่นี่ตีเสียาณปุพุธเจ้าเนี่ตี ดังปอกั น, นยากจากน้ำพุกไว้วเราปิดยากน้ำพุกปล่อยมันฝากค น, นอนัน่งพดโดนหลายลูกหลานสาบแชงไปหุ่นีตายยากแต่ก็มันกำเป็นเว้นในห้องนอกอไอ้บุร่านทึงเห็นขับก็บางคู บ, บา ง, งคนนี่โอ้ยอยอยู่บ้านใกล้ๆกล้กันว่าได้อยู่ไป น, นอนคือกันตัว คนว่เห็นจุดนี้ก็ยั ง, ง, งว่าขีขั้นขวาวัดเด้ไงขีขัานทำบุญขี ข, ขั้นภาวนาเขาบ่กเห็นตามควอนเป็นจริงของพระพุทธเจ้าไหมอ๋อคิดตัง้งปู๊บเราแยบมึงดูปุญายายปปญาตัญญัยพระเพรปุญญาตัญญัยไปก่อนเราเอาหยังไปนั่เดรกได้ว่ามีว่าตายดีว่าดีไปเกิอดอีก ลูกหลานเขาปิดปรเราพ่อได้เกิดต้องรูกต้องานไปเป็นสัตว์สาาสิงห์ผุแนแอบใบยภูมิทั้งสี่เป็นที่หวังได้หรือว่าทุนตัวเปรตโรกายสัตว์ตวราชาข น, นมิจักกัดเพลิดพูมของคนมึงรูบ่ทุกข์ยากนาทาไปก่อนไปการขอทามนอนิษศาสตริเสียงแต่มันเกิดก็มีตัวพ่อได้อยากเปลี่น ก็จะจำแล้วกับพระพนาก็บพระหจักใจจากหัวจักว่าจะเกิดมาอย่างนั้นนำกัไปบังใจก็แม่ใจทุกดวงกับพลัดพลังกิจตังธรรมชาติใจทุกดวงอยากเกิดเป็นมนุษย์อยากพบพุทธศาสนาบอกว่าอยากมาเกิดตรงข้นเด้เป็นมนุษย์เด้พุมงของมนุษย์สูงก็ข้นเด้มนุษย์ทลกเทโบโลกะพมทะเลกกันเป็นมนุษย์เราไปเป็นเทพดาไปแล้ว ไปเป็นพรมเป็นหนังสูงขุนเป็นพรหันขึ้นไปพุนันนังพรมเป็นคนฟังะสือได้พุทธในสายเือมาส น, นะเขาบอได้นั่งสมาธิ้วบกันกองเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าติดัสสรู้คนสอนหนังยากที่สามนชนคนธรรมดาจะรู้ได้เห็นบุตรธรรมของพระพุทธเจ้าหนากบอกัวานว่ายากคว่าง่ายก็ง่ายพปประสัตรุดพังรถหายใจเขาออกว่าได้เสือ บอกพี่ผมนั่งไปวัดทำบุญทำบุญปีใหม่แต่เบื้องรู้ปีใหม่เห็ว่าไปเอาของเสบ่าตะเขียดมันก็ใส้นน้อยจากสองสามเมตรบางยอด ngồi ใช้ผู้เดียวกุนว่าก่อนเดีผู้อื่นเดีใส่น้ำกันพระเพรับต่อไปก็เขียดรับไปหลังพระเจ้าเป็นเพราะพระรับเกินขอบปากบาเป็นเป็นโทษก็ พรเบอเหตุนับปุถุเจ้าสื่อเี้ได้วินตาบาทาเข้าแหงขายไปทั้งโลกไปแล้ววัดเพราะนั่นถูกคนตูกแหงพระจะบูปผะเตะไตเมันซอยบอกก็เจ้าทำบุญข่ยู่เดทานศีลบุญนั่นจากบ่อไล่บังบ่าคือหยังศีลคือหยังบุญคือหยังบุญอาหารใจ ศีลทาให้จิตใจนิง่งทาให้จิตใจมีความสุขท่านของเรื่องร่างกายไม่ยังแ น, น่ัปเขานําพูดชนะอาหารเครื่องนุ่งเครื่องห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคนั่นแต่ยาของพุณเจ้าก็ฉกันฉยนนาดองได้นํามูดเน่าก็ได้ไปหาแรงตัวล้มหวานก็ช่วมือได้อันเอาละเอียด ก, ก็ไปจักว่ามีโลกว่า ม, มีโลกว่า ม, มีโรก ว่พ่อพาก็พาว่าพอตัดก็ตัดกำมุนาก็ติโลโกโ้ตัดรเกินไปตามกรรมกบอเบิงจุดนี้บัมืนอนออของเส้นไหนแล้วก็กเฮ็ดไปทวติบแล้วพาลงไปตัดลงไปเครื่องเครื่องมือแพทเอ์อ๋งไปไห่ยมุขกขาเถิดเศ้าแล้วเหมอยติตายอยู่ขึ้นเก้าหมห เกบ่ตายได้หรอเพราทส่งเสริมดิหรอประเทศจงหาวิธีนี่เอาโมกีตโมดูุ ก, กุทจะส่งเสริมไม่รูกร้กันนะช่วยพระศาสนาผู้บรรดาช่วยประเทศชาติ <c oughs> นี่เกิได้ตม้งไได้นีังว่าเด็ดั้งไงหมมีเวลาอยู่เขาเค่งขัดด้วยความซื่อสัตว์รุิเด็ บอกพ่อบอกแม่บอกพี่บอกน้องมึนแล้วสอนลูกสอนเต่าของหลวงปู่นะพาเทิมหลวงปู่ได้สูงมีข้อมือสัตรจดเด็ดนะจะฉีดต้มฉีดตัวไปโรงเรียนกับโรงเรียนแท้จะไปขีรักรักศกยกหอพี่ป้านะ่ะอาโม้พวกจะไปขากันตีกันทะเลาะเบาะแวงกันอันนี้ตามสิบแปดมองดูพ่อแม่ผมมีข้อมืสูตรหดผมมีปัญหาหมด รู้ไยก็ค้นจะได้ประโยชน์วาเห็นแต่ทั้งโลกแล้วนี่ได้ยกโลกถึงวัตถด้รื่งเรียนนักฟั น, นคนน้องไปมักฟันหมาอกถึงร่เคยเป็นไร่เป็นท่านเดี๋ยวนี้ยังอยู่สามสิบกว่าค น, นเรียนง่าย ผมคิดมึงดูไปถามผู้ใดก็ว่าเข็นพอ่อผมเห็นแ ม, ม้ผมนุองปูบ่เห็นว่าเด็กหน่อยถึงปัญัยเขาไม่ได้กินเขามันจะเป็นคนแคะคนเตี้ยบอกมีคนว่าด้วยแบมีแต่พวกบอะอย่ า, าเห็ดแล้วว่าแล้งก็จบมึงดูรอยกว่าคนจบไปทั้งสิบกว่าคนปอคูยกักได้ด็อกเตอร์ปริญญาตรีโทเอกทกคนกเราก็ให้ไปสอน รพรุทธศ า, าสนาสายตรงผูจักสายตรงสายอ้อมบลสายป้าป้าจะสอนลูกซีดลูกหาตอไปอีกสอนคนตอไป อ, ไปอีกอีกจ้าคนหนึ่งสองคนตอไปอีกมึงลูกเที่ยวทางเวอร์เหงหลายมัติคำมโนตะควบอกว่าพระทีศาสตร์ทั้งๆตีความหมายความนี่เข้าใจมึงลูกไม่หนังกัวบอกว่าบั เนื้อถูกต้องตัดทําน่องคลองถ้ำของพระเจ้ามิตรพวบอกว่ามันซาคําทางเพราะถึเที่ยวทางโฮมแทนที่จะมาวัดอีกอ้อมไปใส่บูงบูงจากทางบูมีผู้บอกคนทางไปวัดปักกุงไปใสไปถามผู้บอกจับบูมีวัดปักกุงนี่ต่วัดประชาคุบมนาามล่ะนี่ไปสวรรค์คือกันตัวพระบอกเคยเห็นสวรรค์จ้าบอบอกโยมทาไปสวรรค์บอบอกโยมทําบุญพระบอกเคยเห็นบุญสิ ถอดไอ้เมืององค์คิดมองดู <c oughs> นี่กำลังแรงงานอยู่ส้างแผนปันแดโอ้ยยังกุญเหมืเทพปันถึงเป้าหมายอยู่รักเขียรแดนทั้งหลวงนี้ไอยู่เทพแง่ตั้งปนก็ให้เทพเทพคือมาตั้งปีทางนี่ปั้นทททเทน หน้าพอยนี้สีก็ได้ให้มันแหง้งเดี๋ยวมาใช้ถนนเ น, น่ะเป็นว่าบระชุมเทถน น, นนี่มันสูงเทก็ได้ลาดได้ตรงไปตรงมาเดี๋ปุกลาดยางเหยก็ได้ตัวบางก็จเห็ดพอเบาไปแปไปไปว่ยนลูกหลานเขาไปยามเมื่อวานลงปุคือฮอนแดดแต่เขามาถ่ายกกรูปก็แลนหนีหวเดี๋ยวเดี๋ยวเห็ดทั้งารางวควนึงเห็ดก็ได้อทั้งทง เบื้องเศษกหลายอยู่งวัดแต่ดอกไม่ไ้เอาตแหม่เห็ดเนยผเพนี่หลวงปู่เพื่อจะไปย้มเก็บของเก่าไว้่อจเอาของไหมนี่เอาไม่เยเอาไม่เลยของเก่าทับถิ่มเมื่อไ่ได้สะสมไปต้อเห็นว่าแต่ไม่แต่เป็นเรื่อยตะก่นเน พระพบเห็นความสำคัญจุดนี้ด้วยเพราเพียนี่หลวงปู่เป็นก้อนหินเหยายุใสย้เจียบ อ, อเหมือดตัวมาเห็ดถังน้แตะกอนไปขุดน้ำที่หินปูนน้ำทงไฮตรงหน้าเินตัวแล้วปู่ที่ถอดถิม่มก็ถุกมือดเพระนั่นเอ็ดเอาปฏิปทาของพ่อแม้ว่าไม่เห็ดเอาว้า ม, าวามสะดวกก็ยังไม่ตะก้มสะดวกมันเสียอยู่ทังภายในใจคนนี้ เมื่อโดกของพอ่อของแม่รักษาเอาไว้ตัวก็จะไปถิ่มแั่นเลยเป็นหรูหราผมว่ายเปตลกโอ้ยเป็นเป็นอะไรอยากนีนั่งสิหนาทีผู้ใดขี่ข้า่นนั่งก็จะมาวัดดูไม่คนอยสบายก็ไปบินผุดบักกคอรอๆอะเรไปได้พระก็เน้นนั่งน้ำเนีดตื่นขึ้นมาเมื่อื่นได้ดังจมบอติมันไปหาเหรียต่นนี้หลโลกโลก็เพราะเหตุนต ก็ยังย่มไม่รวกไปถามใจ ก, กบุู้ปาแต่ได้นั่งเบาหลวงปู่เคยบอกนั่งหนึ่งหน้าที่ทุกมือทุกมืออโมโลกถามใจกองเข้านทีที่ไปตรวจจะ ข, ของที่ไหนแต่เหตุทุบแต่เหตุท่นได้รับไหมาสมัครหพระยาเน้นหนักคว่ำศัตธทุลิปก็ต้องไปให้เขาสวดจยังหลายแต เ, เน้นหนักผักก็ตะผากนั่ง ข่าวขาดการนั่งสมาธินี่จิตก็กเป็นสมาธิเลยผมมีปัญญาผมมีปัญญากับพุทคว้มรอบโูว่าบุญกับบาปมันเป็นนั่งไหนแต่แล้วบันเห็นว่าก็นั่งเบื่งหนึ่งนาทีเป็นบุญเอารักโลกเป็นบา ป, ปบา่บันใจองคนมิตรรักกับโลกคล้องกับหยยัวใจก็ได้ยินดิลูกกูบอกนั่งมโนลานั่งมโนลามโน้ขึใ้ใจใจวิสัยได้เห็นยิสัยอยู่เนื่องผู้เงินผู้ท่องแปรก็ เป็นมาเมื่อโค้งเงันขึ้อย่างบื้นวันบืนบ้นวันเป็นเมียเป็นถินกันยุ่งกับอยาก ก, ก่ำลุ้ยพวกมั้นอยากเล่นหนักภาคปฏิบัติพวมีคุ้มจะเลรุ่งเรื่องหรอโลกต่อไปไฟหนาโน่นไรเพราะพระพุทธเจ้าเป็นวบต้องสั้นแล้วร่างพูะุทศาสนาห้าพันปีเปลี่ยนไต่เปลี่ยนไตเปลี่ยนไปจ้จว่า เขาพอตำน้ำพอตักจน่าเรื่มกินเริ่มทำก็เป็นงักง่ายป็นไหนเป็จากเขาพ่ตำน้าพอตักน้ำอยู่ในถังพระตักสี่ขันกินพได้จาะนาบาดาลมาโยกกินพอได้ต้องเข่าถังเข่าถังก็บพอจกองกินต้องเขากวดอีกกวดก็ให้กวดแก้วจังกิน ผันลงมาแม่มตั้งน้ำถนนทนท่านมูนถึงรัฐบาลจังอยก็ถนนแชไถ่ายพิมไม่คงการแนี่ยนอนบ่นี่จะเป็นตัวแต่เญื่อนตไปไป้ายหนาบ่นั่นถึงทให้กลับมาโลกาพินาศว่างกัวใจ <c oughs> นี่พ่อแรงเลยกับพาอแรงให้มันทาน ง, งาน เพดานเองเจ้าปากกามอย่า้นี่ก็ได้ไม่ีเพ่ดานเพ่ดานกับหนูก็ไปแดนด้วยกันกระโปเขาไปอีกไงกุ๊บระบบน้ามเขางินปรมี่พอคุกไม่คือเงี้ยวขัแต่น้องเป็นพันก็ไม่เวลาเบ่งระบบน้ามหน้มันนี ถ้าดีๆก็ใช่งามยินกำเบืองขค้ืกระว่างด้วพวก้วงยาขึ้นกันละ่ะ น, น, น้ำขิงเวนมาเห็ดทั้งวัดน้ำเครื่องกับใปไต้ไฟเห็ดม่ไต้ไฟโซ่เหล็ยญหน่งอยู่น้นผลทางแต่บานบมม่ความกิดติส่งเสริมให้ฮวงเฮ้งประเทศชาติฮงเฮ้งไปวกฮวงเฮ้งศิลธรรมดูหลาภูมิ่อพิมจมาฮวงเฮงไ่ ใจเห่คน้คนแ่าค้นแจท่านให้คนทีข้านร้อยคนทีข้านใจเห่คน้นถูกคนหนากเกินน่ก็ไว้เป็นใจเพิ่มให้หลายชุดหนบอกว่าใส่แหละใจแต่อะไรกันไรมีผูเบิ่งบอกก็จะเอกเข่ามามีผู้รองบันชีให้บอก ให้แล้วก่อนพีใหม่เนี่แหละพวกพวกไปจันท์มาไปอดไปก็ขึ้นใจหายยุ่ยเลยเอาไปมากเราถามว่าไม่พราพ่อเขาก็จะกลับมาลงปูหรือว่ามันไม่พ่ออยู่กับพ่อกันเน็ตแล้วถึงเอเลอาลัยเขาไปหาสรา้างบันดาลบุญ เขาบอกท่านใหม่ก็จะเตีกะจะกลับเมียบ้านพนั่าเออกลับมากลับมาเพราะพระท่านก็จากจะหวายปัจจัยมันต้องห้ยโรคคนน้นโแต่คัดรถดตัก็จับมารถประเพณีอาบุญปะเพ็ีตะหวังต่เงินตะท้องปไปเพณีหย่างไรไเล่นผมมีนาไซไปหาเล่นไตเล่นโบกกรุงไก่ห้โล กูจับว่าบุญคือของเบ่จะแต่หวังผลประโยชน์ไปเหตุเอาบุญหวังผลประโยชน์มันได้บาปมันก็ไม่กลมสูกูตัวได้เหตุเพได้เอาอย่างสบายใจก็ได้เอาแล้วพวเครื่องตอบแท้มก็เจ้าว่มีเนาะพากว่าในเหตุแตาเสียตละก็ดีตัวได เป็นป้แรกประทับอตนาสินแบ งานมัดลายจได้พวกาพวกเยื้อพวกนั่ด้แล้วก็บ้านสงห้องจังหวัดสีมาที่มุนี้กเเป็นหัวหน้าผ้าเบิ้งตกผ้าเฮ็ดก็บอกพระเจ้า้เบิงหนาน้ำห่าน้ำกุกแล้วังดน่หาน้ากุกไม่กกตอกบ้ากันโบมีผู้ผ้าเบิ้งาเฮ็ดแน่ก เพราะสะอาดนี่ที่นี่ง า, มางไม่แห้งไม่แห้งชาวบ้านก็พ่ใส่ถือพ้นรถ ล, ลอดย่ดองมาซอยวัดทําควืมสะอาดไหมก็ไม่หักไปกลายหลายแหงยึดทัวเที่ยวตัวแดนเอาเรเล ย, น, ยน้อยมาตัดเอ า, าพระว่เห็นกระโยกหรือว่าตัดเอาไปหุงไปต้มเอาน้ามักินได้ไมก็ไปใส่ตะเกียบตะเกิดเลยไหม เอาโรดงาไม่แห้ง อ, ง อ, งองยงอู่นั่นปลอกข้องลอยอย่างมื่อนนี่น้อยมันคอยเรื่อยเอาเรื่อยเอากลไปฮ้อนตัวก็วไปเรีนตะไพ่ตะโบกกันยังไงเพราะสั่งสันเพราะผยัดบริหารร่างกายมันก็แข็งแรงไปในตัวตัวไปหานางตะกุดเอาเงินตะบานมาใส่ก็ให้เทาให้แก <laughs> แต่ก็มันมีความสุขด้ปเพนี้โบราณโบราณไปอุตตะสองก็จะเอาเลีย ง, ป, งประเพนีโบราณโอ้ยไปร้างโรงงานนมาซื้อสัตว์ทุติยภัณ์กันพามีเงินเขบมาซื้อของพนวาซื้อสัตว์ทุติยภ์กันซื้อขวเราก็ต้องเอื้อนจิ้มเข่าเลีย ง, ขงเยงข่านําประดับนันเห็นปาา่าวาดท่าพอกรแม่พี่น้องลูกเต่าซื้อกันจินนี้สมือ ไอเกี่ยวยันอยู่รอขางคนทางเอาองค์น้ำไปฟอ้อมเห็นคนกายไปันมากเมื่อกิ้นเขาน้ำกันเด้อจินขเขาราไป <c oughs> ประตูเมื่อเด้อหนาบูดแต่เบี้ยวส่วกัน